ขอความสุขความเจริญยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุกมกาลังนำเสนอมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมริกายมูลปันนาตก็เป็นพระสูตรสุดท้ายแต่ว่าเป็นพระสูตรที่มีความยาวมากแล้วก็ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยากต่อการประพฤติปฏิบัติการทำความเข้าใจนั้นไม่ค่อยยากเท่าไรหรอกแต่ว่าการนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลอย่างที่ทรงแสดงเนี่ยก็ทำได้ยากพระธะอาทกถาจารย์ได้ไขความของคำที่เริ่มต้นว่าเ e. อกายโนย่างพิกเวมโคสัมรักขาตู เอกายนะ่ะแปลว่าเป็นทางเอกทางเอกก็บอกว่าเป็นทางที่เลิศประเสริฐสูงสุดหรือว่ามีทางเดียวแต่นี้ก็คือได้ทั้งสองความหมายนั่นแหละมันมีคำบาลีที่เรียกคำว่ามักเนี่ยคือถนนหรือหนทางไว้เป็นจำนวนมาก บางอย่างเราก็คุ้นบางอย่างก็ไม่คยคุ้นเช่นรม ก, กาอันนี้คุ้นปันทะไม่เคยคุ้นปัถะก็ไม่คือคุ้นปัจชะนานๆนนจะเจอสักครั้งหนึ่งอัญชศะอันนี้ก็นานๆแล้วก็วัตุมะอายนาะาวาอุตรเสตุ กุลละพิสิและสักกมะทั้งหมดเนี่ยมีความหมายว่าเป็นมรดกด้วยกันมรดกในที่นี้ก็คือหลักการปฏิบัติเพื่อจะนำกายวาจาใจของบุคคลให้ก้าวไปบนวิถีแห่งศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะย่างยิ่งก็คือเน้นที่สมาธิกับปัญญา พระอุเจ้าจึงก็พระสูตรเดียวนะฮะที่ใช้คำว่าเอากายโนโอย่างพิคะเวมาโคเนี่ยใช้เฉพาะกับสติปัฏฐานสุดรับสังว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวไม่ใช่เป็นทางสองสายอีกจยางหนึ่งที่ชื่อว่าเอิกาญะเอากาญ โ, โนเนี่ยเพราะคนคนเดียวเท่านั้นพึงไป หมายความเป็ยังไงหมายความว่าคล้ายๆกับเรานั่งรับประทานอาหารบทโรโตะด้วยกันคือต่างคนต่างชอบต่างคนต่างกินต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอิม่มไม่มีใครช่วยใครกันได้ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นสมมติว่าพุทธบริษัทร่วมกันปฏิบัติธรรมะนั่งกันเป็นหมื่นๆแสนๆก็ได้ แต่ว่าแต่ละคนต่างก็อปฏิบัติผลที่คนหนึ่งปฏิบัตินั้นไม่เกื้อกูลแก่อีกคนหนึ่งอาจจะเกื้อกูลอยู่บ้างก็ในกรณีที่ปฏิบัติสงบไม่ส่งเสียงไม่รกบกวนคนอื่นแต่ถ้าหากว่าจะให้มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นความสงบเกิดขึ้นภายในใจคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ วันท่านยังบอกว่าเป็นความทีคนเดียวเท่านั้นพึงไปคําว่าคนเดียวคือการละการคลุกครีด้วยหมู่ไอ้นี้ในย่าหนึ่งเขคือหมายความว่าถ้าเราทํำกันเป็นหมู่เนี่ยมันทํายากเพราะว่าคนโอกาสที่เขาจะนั่งนิ่งๆก็หายากทีนี้ถ้าเขาไม่นิ่งกรอบแกรบกรอบแกรบอย่างนั้นไอ้จามานึ่งนี้เราก็สะดุ้งทุกที พลนก็หลีกเร้นไปหาความสงบตามลำพังแม้แต่พระในสมัยโบราณท่านเกาะกลุ่มไปเพื่อสแสวงหาถ่าที่สงบปฏิบัติธรรมะแต่พอถึงสถานที่ที่ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติด้วยกันก็แยกย้าย ก, กันหนาที่อยู่ไม่ไกลกันเกินไป จนไม่สามารถจะติดต่อกันได้แต่ไม่ใกล้กันเกินไปจนเสียงขยับตัวเสียงทําอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกระทบต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ชื่อว่าอายะเพราะพึงดําเนินไปคือปฏิบัติหรือว่าเพราะเป็นเหตุดำเนินไปไปจากอะไรไปจากโอคะสงสารสาคร ไปจากการเวียดว่ายตายเกิดไปไหนล่ะไปสู่นิพพานนี่ก็เริ่มต้นก็ใหญ่โตเรื่องยากทีนี้ทางดำเนินของผู้เอกคือเอกายนาว่าผู้ผู้เป็นเอกได้แก่ผู้ประเสริฐที่สุดและผู้ประเสริฐที่สุดกว่าสรรพสัตว์ คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นจึงอธิบายว่าได้แก่ทางดําเนินของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายความว่าพวกคนรุ่นหลังก็คือโดยเสด็จตามรอยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงประสบความสําเร็จอย่างไรโดยการปฏิบัติอย่างไรเราก็ดําเนินไป แต่ที่จริงถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยพวกเราดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ทางที่จะสำรู้เลยมันคืออะไรแต่เราในพระพุทธเจ้าค้นไว้ให้เรียบร้อยเรากรับอ่อนแอกรับไม่สามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ท่านได้ประสบความสาเร็จมาแล้วตกลงว่าเราสูญเสียโอกาส ทางๆ ท, ที่โอกาสเปิดให้เนี่ยเพราะขาดความเพียรบ้างขาดความศรัทธาบ้างขาดปัญญาบ้างขาดสมาธิบ้างอะไรก็ขาดไปมีจุดบกพร่องอยู่เรื่อยๆทีนี้อันที่จริงถึงคนอื่นก็ดำเนินไปตามทางนั้นแต่ถึงอย่างนั้นทางนั้นก็คือว่า เป็นทางเสด็จดำเนินของพระผู้มีประภาคพระบระองทรงสร้างขึ้นดังที่กล่าวไว้ว่าพราหมณ์ความจริงพระผู้มีประภาคนั้นทรงอย่างทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งอายณนะอายณะก็คือดำเนินไปคือเป็นไปเป็นไปในที่เดียวกัน คือเป็นไปในธรรมอันวินัยนี้เท่านั้นเกิดเนื่องจากมัน ม, มีอริมกรักมีองปประการดูอริมกรักมีองแปประการนั้นไม่มีในคำสอนของศาสนาในๆนอกจากพระพุทธศาสนาเพราะงั้นก็ต่างคนต่างก็ไปโดยความเพียรพยายามของตัวเอง ดังที่พระองค์ตัว่าสุภัธะอริยมรรคปิุกแปดหาได้ในธรรมนิยัยใดความจริงเนื้อความทั้งสองนี้ต่างกันเพียงเทศนาโบหานเท่านั้นแต่ก็มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันอีกหนึ่งเอกายณนะเพราะว่ามุ่งหมายไปสู่ทางเดียวกัน ในตอนต้นถึงแม้จะเป็นไปโดยในยาแห่งภาวนาที่เป็นช่องทางแตกต่างกันคือบทภาวนาอย่างที่บอกว่าหมวดภาวนาเนี่ยมันมีถึง21ดข้อด้วยกัน21หมวดด้วยกันแล้วพอบทภาวนามันก็วิจิตพิสดารไปกว่านั้นก็ต่างคนต่างก็เลือกปฏิบัติได้ถูกอัธยาศัยของตัวเองใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้น แม้แต่กายกตาสติก็มีเยอะอาจจะดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอาจจะดูริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนอาจจะดูยมะ ท, ทั้งสี่ทั้งย่อยอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดแคทคู่พูดพูดเททคู่แขนเหยียดแ ข, ดแขนก็สารพัดอย่างให้มีสติระลึกรู้อยู่แล้วก็ให้ดูที่ ผมขนด้วย ค, ควันหนังให้ดูที่ธาตุให้ดูที่อะไรเนี่ยมันก็อยู่ในพวกธาตุ ด, ดินหมายความว่าเราถ น, นัดถ น, นัดของเราเออจะพูดให้คนปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีอย่างเดียวกันไม่ได้หรอกแต่ว่าทุกวิธีนั้นจะมีจุดบรรจบในที่เดียวกันก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเข้าถึงปณิพนัทนั่นก็คือประเด็นหลัก ในตอนต้นถึงแม้จะเป็นไปโดยในยะแห่งภาวนาอย่างดังกล่าวเนี่ยนะแต่พอตอนหลังมันจะบรรจบ ก, กันอย่างที่สามบดีพรมได้กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่สุดแห่งการสิ้นความเกิดทรงอนุเคราะห์เกือกูลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงทราบทางไปสู่ที่แห่งเดียวพระนิพพาน ด้วยทางสายนี้คนทั้งหลายได้เคยข้ามโอคะห้วงน้ามาแล้วก็มังข้ามอยู่และจะข้ามต่อไปหมายความว่าเอาเอนุญานี้ก็คือสติปัฏฐานสูตรแต่ว่าในสติปัฏฐานสูตรนั้นถ้าเรานับเป็นองค์มครกเนี่ยองค์มครกก็คือสมมาสติแต่นหน่วยย่อยในสมมาสติเนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย มันไปคลุมเพื่อนไว้หมดเลคุมเพื่อนไว้หมดโดยสรุปแล้วก็คือเดินไปโดยเส้นทางอาริยมรรคคือมีปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบบางพยายามชอบตั้งสติมั่นชอบแล้วก็มีตั้งสติชอบแล้วก็มี ความมั่นคงขึ้นภายในจิตใจในทางที่ชอบทีนี้อาจารย์ที่อธิบายในเรื่องเหล่านี้บางทีท่านขาขกน็ขัดแย้งกันขัดแย้งกันเชิงรูปแบบไม่ค่อยแปลกจะขัดแย้งกันในเชิงเนื้อหานี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะไม่รู้จะตามใครดีถ้างั้นเวลาท่านอธิบายในยส่วนมากมันจะขัดแย้งกันในเชิงรูปแบบ ไปทางไหนก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็แล้วกันเอกายนะเพราะไปถึงนิพพานค ร, ครั้งเดียวตามนยะแห่งพระคาถาไม่ไปถึงพระนิพพานสองครั้งคำว่าไม่ถูกเพราะอัตถวาพยัญชนะควรจะเป็นอย่างนี้ว่าสกิงอยะโน ไม่ใช่เอากาอยาโนแต่ถ้าจะกล่าวประกอบความอย่างนี้ทางนั้นก็มีทางไปทางเดียวคือมีคติได้แก่ความเป็นไปในอย่างเดียวทั้งนี้ปัญญาหน้าก็ใช้ได้แต่อาจใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างก็เราอย่าลืมว่า การไปในมันก็ต่างคนต่างไปอารมณ์ที่ใช้ปฏิบัติก็ต่างคนต่างก็เลือกให้สบายยากแก่ตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็การไปนิพพานเนี่ยมันไปแค่ครั้งเดียวแต่นั่นเองแหละแต่ว่านิพพานในครั้งเดียวในความหมายนี้หมายถึงสัอุอรุปาติเสสานิพพานนะครับดับ กิเลสไม่สะสะอุปาทิเสสรนิพานดับกิเลสแต่ว่ายังมีเบญจขันเลืออยู่เพราะว่านิพานสองครั้งมันเป็นไปไม่ได้นิพานแล้วมันไม่กำเริบมันไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแล้วนิพานก็คือนิพานเลยทีนี้ถามว่าเพราะเหตุอะไร เพราะในที่นี้ถ้าทรงประสงค์เอามรรคที่เป็นบุพพะาคือมรรคที่เป็นส่วนเบื้องตน้นในที่นี้พระองค์ทรงประสงค์เอามรรคเป็นที่ตั้งแห่งสติอันเป็นส่วนเบื้องตน้นเป็นไปในอารมณ์สีมีกายเป็นตน้นไม่ใช่มรรคที่เป็นโลกุตระและมรรคที่เป็นส่วนเบื้องต้นนั้นก็ไปได้ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยซึ่งมีการ ไปไม่ใช่อย่างเดียวอันนี้ก็หมายถึงว่านับนิพพานตั้งแต่ประสูติ บ, บันไปแต่ถ้าอย่างนั้นก็หลายครั้งแหละแต่ว่า เ, เจตนารมของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นทรงแสดงธรรมะในรูปที่เป็นขบวนการก็คล้ายๆกับที่รับสั่งว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงบนพื้นดินแล้ว เขาจยารับผลแห่งพืชชนิดนั้นเราจะเห็นว่ามันมีช่องวางอยู่เยอะเลยระหว่างปลูกพืชกับผลของพืชอาจจะกินเวลาตั้งสิบปีอาจจะกินเวลาเจ็ดปีอะไรต่างๆเจ็ดปีสิบปีสิบปีกว่าแต่ต้องเข้าใจกันว่ามันไม่ใช่เกิดพร้อมกันแต่ว่าการปลูกพืชจะต้องเริ่มต้น แล้วจากนั้นก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอะไรอะไรกะว่ากันไปจนถึงจุดหนึ่งมันก็ออกมาได้เมื่อก่อนในในบทนี้พระเถระทั้งหลายก็ได้มีสนทนากันมาแล้วเหมือนกันคือพระตีบิดกจุนลนากเทระได้กล่าวไว้ว่า เป็นทางสติปัฏฐานที่เป็นบุพภารแต่อาจารย์ท่านคือพระสีบิดกจุลลาสมุนเถระได้กล่าวไว้ว่าเป็นทางปนกันไปทั้งโลกิยะและโลกุตระอันนี้ก็ใช่นะคคือไม่ใช่นิ่งๆมันสมบูรณ์ร0อเปเซ็นเลยจะเป็นข้อใดก็ตามแหละแม้แต่องค์กรรมฐานที่เราเรียกว่าอนาปานสติ เราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งมันก็ฝึกให้เราทาผู้คิดยังมีสติก็นในแต่ละวันนี่แหละจะกินข้าวจะซักผ้าจะถูพื้นจะกวาดขยะจะอะไรอะไรก็ตามเมื่อเราคุ้นเคยต่อการควบคุมจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งได้มันก็โอนย้ายไปใช้ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้แปลกอะไร เพรานั้นมันก็เป็นทั้งโลกิยและโลกุตระไอโลกุตระนั้นมันต้องเข้าปรสกาสของพระโสดาบาันก่อนถ้ายัางไม่ถึงเราก็อยู่ในจุดนั้นแหละทีนี้เป็นทางเบื้องต้นครับใ้เท้าท่านตรีวิโดกจุลนาคาเทระกล่าวเป็นทางปนกันไปคุณอาจารย์บอกนะอาจารย์บอกว่าเป็นทางที่มันปนปน ก, นกันไป เมื่ออาจารย์กล่าวย้ำแล้วย้ำอีกสิทก็นิ่งไม่คัดคานทั้งสองท่านก็ลุกขึ้นโดยไม่วินิจฉยัยทีขาดปัญหาเลยภายหลังพระเถระผู้เป็นอาจารย์ไปที่ห้องอาบน้ําคิดว่าเราพูดว่าเป็นทางบนกันไปเราพูดว่าเป็นทางบนกันไปแต่ว่าลุ ก, ลกสิทธ์นั้นเกิดถือว่าเป็นทางที่แยกจากกัน เป็นทางเบื้องต้นนะแต่เนียกว่าบุปภภา ค, คือเป็นทางเบื้องต้นจะวินิจฉัยกันอย่างไรนะจึงได้พระสูตรตั้งแต่ต้นเลยว่าโยหิโกจิพิกเวอิเมสัตจตาโรสติปฐานิเอวังภาเวยะสตตะวัฏซานิภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามจะเริญนสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้ตลอดเดปี ดังนี้ท่านก็รู้ว่าธรรมดาโลกุตรมะมักเกิดขึ้นแล้วจะหยุดชะงักอยู่ตลอดเจดปีไม่มีมักที่พ้นกันไปที่เรากล่าวแล้วนั้นมีไม่ได้ส่วนมักที่เป็นบุปภาที่จุนลนาคแสดงแล้วก็มีได้จึงได้ไปหน้าที่สมัครประกาศวันธรรมสะวรรณาแปคำพระเทราในบางกอนี่ชอบฟังธรรม พอได้ยินเสียงเท่านั้นได้ก็คิดว่าเราจะฟังก่อนเราจะฟังก่อนแล้วลงฟังกันอย่างพร้อมเพียงทีเดียวในวันนั้นเป็นวารของพระจุลนาคเทระเมื่อท่านนั่งบนธรรมามาจับพัดแล้วก็ก่าวอารามพบทพระเทระที่ยืนอยู่หลังอาสนะได้มีความคิดว่าเราจะนั่งในที่รับไม่พูดอะไร เพราะว่าพระเถระในปางก่อนเป็นนักฟังจะไม่เที่ยวยกความพอใจของตนขึ้นเป็นใหญ่อย่างเดียวเหมือนคนแบกมัดอ้อยไว้ฉะนั้นถือเหตุผลอย่างเดียวสลัดสิ่งที่ไม่มีเหตุผลทิ้งเพราะฉะนั้นพระเถระจึงพูดว่าคุณจุลนาท่านจุลนาสงสัยดูเหมือนเสียงท่านอาจารย์จึงได้หยุดแสดงธรรมแล้วเรียนว่าอะไรครับแต่เท้า ท่าก็บอกว่าจุล น, นาคมัดปนกันไปที่ฉันว่านั้นไม่มีแต่มากที่ม้าคือสติปัฏฐานที่เป็นบูปภาคคือเป็นเบื้องต้นที่คุณว่านั้นมีปเทระพูดตอบและจุล น, นาคคิดว่าอาจารย์ของเราเรียนปริยัตทวดถึงทรงจํำใจบีโดกไว้ได้เป็นสุตพุทธปัญหาที่อย่างมัวสมบับพระภิกษุถึงขนาดนี้พระ พิกษุที่เป็นรุ่นน้องในอนาคตจากพิกษวง์ปัญหานี้แน่นอนเราจะเอาพระสูตรมาแก้ปัญหานี้ให้ดินได้จากคำภี์ไปสามพิธามรักบุปภาสติปทานามรัคท่านเรียกว่าเอกายนามรักพระเทราชจะนำพระสูตรมาตั้งว่าคืนี่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี คือปัจจุบันเนี่ยพระที่ยังนิยมฟังเทศมากมากและฟังเทศได้นานๆเท่าที่สังเกตในฐานะที่เป็นนักเทศเนี่ยคือพระกรรมฐานเนี่ยจะสนใจตั้งใจฟังแล้วก็พร้อมเพรียงแน่นเอ็ดไม่มีใครกลับก่อนนอกจากว่าเกิดปัญหาโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมา ท่านจะฟังอยู่อย่างนั้นนะฟังด้วยความสงบบางแห่งตั้งห้าสู่โมงนะพูดท่านก็นั่งฟังอยู่ได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าปวดเมื่อยอะไรเมื่อยมากก็พลิกไปแต่ว่าตามปกติท่านก็คุ้นชินกับการนั่งอย่างนั้นท่านก็ไม่่อยพลิกไปพริกมามากหรอกแต่ว่าพระเนรโดยทั่วไปนี่ไม่ค่อยนิยม ไม่ใช่หมายความว่าเธอขี้เกียจคือมันมีตำราหให้เราเรียนจนจนไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะสำหรับตำราทางพระพุทธาศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่เยอะมากแล้วก็มีสถานีวิทยุให้ฟังแล้วก็มีอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอีกเป็นนันมากทาให้ความอุตสาหะที่จะฟังอย่างพระิรีตาตะกี้เนี่ย โดยเราจะเห็นว่าเรื่องขนาดนี้ท่านท่านยังลังเลยังไม่แน่ใจไปจุนลนาท่านก็คิดถึงว่าแล้วต่อไปล่ะพระรุ่นหนุ่ ม, มต่อไปจะเป็นยังไงขนาดครูบาอาจารย์ยังไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพราะปัญหาเรื่องธรรมะเนี่ยปริยัติในการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าวางไว้เป็นสี่ขั้นนะฮะสี่ขั้นด้วยกัน กันหนึ่งคือเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสขั้งที่สองจำจำเรื่องราวหล่านั้นไว้ได้ประการที่สามก็คือท่องอามาศัตรยา ย, ยันที่พระเถระศาธ ย, า ย, ย์ายนักี้นี่อันนี้ท่านขึ้นไปข้างหลังเลยเอาข้อความในพระสูตข้างหลังมาสรุปคือตอนพระย้าสรุปนะสรุปกับประเด็นข้างหลัง แล้วก็ต้องเพ่งพินิษฐพิจนาด้วยใจต้องเข้าใจแต่ว่าประเด็นเหล่านี้มันเป็นสัมผัสตรงเป็นปัจจตังวิริตตะบูมอยู่หีวินยูยชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นออตอนนี้จะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกปฏิบัติไปก็จะเจอเองทีนี้ที่ ทรงแสดงเนี่ยรัยสั่งว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์แปดประเสริฐที่สุดทางมีองค์แปดก็คืออริยมรตมีองค์แปดอริยมรตมีองค์แปดนะฮะไม่ใช่เรียกว่าอริยมรตแ8บางทีเราก็ไปเรียกอริยมรตแ8ก็หมายความมาทางแปดสายแต่จริงๆทางสายเดียวแต่ว่าเป็นองค์ประกอบร่วมกันจึงกลายเป็นเอกายนามรต ก็ทำนองคล้ายๆกับเราปรุงอาหารมีเครื่องปรุงแปดอย่างจึงจะเป็นอาหารชนิดนั้นๆมีรสชาติเหมือนกันแต่ถ้ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันก็รสชาติจะไม่เหมือนเดิมในอรดีมมักมีองค์แประการทรงแสดงในรูปปัญญาศีลสมาธิ คือแสดงว่าเวลาปฏิบัติมันต้องหมุนเป็นวงกลุมมันต้องเริ่มที่ความเห็นชอบแล้วก็คิดชอบพอเห็นชอบก็พูดชอบเห็นชอบก็ทำการงานชอบเห็นชอบก็เลี้ยงชีพชอบเห็นชอบก็พยายามชอบเห็นชอบก็ตั้งสติชอบแล้วก็ตั้งสมาธิมั่นชอบสมาธิจะเป็นตัวนำ นำหมุนครุ่คราวกันจนจนเรียกว่าตกผลึกเป็นหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กลายเป็นสมายานด้วยความรู้ในทางที่ชอบท่านเหล่านั้นก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระยบุคคลบรรดาสัจจะทั้งหลายนั้นบทแห่งสัจจะทั้งสี่ประเสริฐที่สุด ทั้งสเนี่ยมันรวมหมดอ่ะมันรวมสากรลระเบ พ, พไปหมดแล้วไอเดียสัตว์สีป่ประการนี่ประการแรกก็คือทุกได้แก่สภาวธรรมทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายมันตกอยู่ในกฎอย่างนั้นะกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือกฎเกิดแก่แบเกิดแก่จะตายหรือเกิดแก่ตายนะฮะ แล้วก็ไม่มีความจริงที่อื่นไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เจนสมมติ ว, มว่าประชากรโลกเวลาเนี้ยมีตั้งเท่าไหร่หกพันแปดร้อยล้านหพันแปดร้อยล้านคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่แก่ไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่มีใครที่ไม่ตายอันนี้คือความจริงที่เราไปเศษไม่ได้ ทีนี้ท่านบอกวิราคาธรรมประเสริฐที่สุดวิราคาก็คือจิตที่ปราศจากราคะหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสได้แก่จิตจริงๆก็คือจิตพระอรหันต์พระปราศจากกิเลสจริงๆก็คือนิโรธเป็นผลสูงสุดเป็นนที่สุดมีคุณค่าทางจิตใจในที่สุด แล้วก็บรรณาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระสมาถสมุทัเจ้าผู้ทรงมีปัญญาจากสุประเสริฐที่สุดในเท้าสามบดีพรหมท่านว่านะแล้วก็ในสังยุตติกกยเนี่ยก็เคยมีเทวดามาเสนอก็ปรากฏว่าปุจ้าก็ต้องแสดงความจริงอย่างนี้ว่าถ้าจะเอาสัตว์สองเท้า ว่าสัตว์สองเท้ากระเสริฐกษัตริย์ประเสริฐที่สุดนี่มันก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะกษัตริย์เยอะเดี๋ยวใครไปเทียบกับใครล่ะแต่ถ้าบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้านี่มีพระองค์เดียวคนที่เทียบกับพระองค์ไม่มีการที่ไม่มีคนเทียบเคียงได้นั่นแหละก็สแสดงว่า เป็นเอกจริงๆเป็นหนึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะไม่มีใครเทียบเคียงคือมีคนเทียบเคียงแต่ว่าเทียบเคียงไม่ได้เทียบเคียงไม่เท่าทันประการต่อไปก็บอกว่าทางสายนี้เท่านั้นไม่มีทางสายอื่นที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะทัศนะก็คือความเห็นนะเห็นอริยสัจสี่นะั่นแหละรุยานสาม ก็คือสัมมาญาณเธอทั้งหลายจะเดินทางสายนั้นเถิดที่เป็นเครื่องกำจัดมานและเสนามารเพราะว่าเธอทั้งหลายเดินทางสายนั้นแล้วจัดทำที่สุดแห่งทุกได้หมายความมาบนเส้นทางอรอยิยมรรคเนี่ยมันจะมีพลังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นแล้วเป็นภูมิต้านทานกระแสของกิเลสทั้งหลายที่มาในรูปแบบต่างๆ จะถึงจุดหนึ่งก็หมดไปเมื่อท่านกระทาใม้สมบูรณ์ในอริมาร์คทางแปดประการทีนี้คำว่ามรรคท่านก็อนอยังอธิบายคำวมม่มรรคต่อไปมากนั้นเพราะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานและเพราะผู้มีความต้องการพระนิพพานจะต้องดำเนินไปมันมีสองอย่าง มันมีทางเดียวตอนนั้นเดงที่จะไปนิพพานได้ก็คือทางอริยมรรคเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงประเด็นแรกจึงหมายถึงเป็นเหตุให้ถึงนิพพานแต่ถ้าคนไม่เดินล่ะคนไม่เดินไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็คนต้องเดินตามไปบนเส้นทางเหล่านั้นที่นี้สัตตานางวิสุทิยา เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายนี่ท่านฟังก็คงจะนึกออกนะว่ากิเลสมันมีสามระดับระดับหยาบเรียกว่าวิธีกรรม ก, กิเลสคือกิเลสที่มันล้นออกมาทางทางปากทางการกระทําเราไม่สามารถกํากับควบคุมมันได้มันก็ล้นออกมาก็ฝึกจนกิเลสไม่ลน้นคือศีลบริสุทธิ์ แล้วก็จเจริยนสมาถากรรมฐ า, านกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจปรุงแต่งจิตไปด้วยประการต่างๆ ต, ตามท่าหน้าหน้าที่ของมันเทีนกาเมฉันนี่เหมือนกับน้ำหลากสีน้ําที่ปนกับหลายหลายสีพยาบาทก็เหมือนกับน้ําเดือดตีน้ํามิทะก็เหมือนกับน้ําที่มีจอกแหน่เยอะ อุทจจะเหมือนก็เหมือนกับน้ำขุนแล้วก็บิีจิจฉาเหมือนกับน้ำขุนปนโครนนะฮะ ค, ค, คือคือคือ้นกว่าจิตใจก็ไม่สงบจิตไม่นิ่งบ้านก็ทรงสอนเรื่องระดับสมาธิ จริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันระดับปัญญาก็ทำได้นะระดับสงบได้ระดับหนึ่งหมายความมาพัฒนาด้วยการคิดปินิพิจนาเพ่งดูจิตตัวเองและสรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะสามารถส ง, งบส ง, งบกิเลสเหล่านี้ลงไปได้ด้วยอะไรล่ะ โดยการเห็นโทษด้วยบันชัดเจนภายในใจเราจะเห็นว่าพวกกิเลสเนี่ยมันมันเป็นไฟอุปมาเป็นไฟก็ได้อุปมาเป็นศาสตราก็ได้อุปมาเป็นยาพิษก็ได้อะไรก็ได้ที่หมายความว่าถ้าเรากล้ำกลายเข้าไปแล้วก็เกิดอันตรายต้องประสบความาทุกข์ทรอดรอนด้วยระการต่าง ทีนี้เอสัตานางวิสุติยาเนีเพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตเศ้าหมองแล้วพระมนทินทั้งหลายมีราคาป็นตนคือราคามันอยู่ทั้งในระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดนะฮะคืออยู่หมดทั้งสามระดับแต่ว่าระดับละเอียดนี่เข้าไปกำหนัดในรูปปัจจานรูปปัจจาน กำหนัดในสิ่งที่ละเอียดอีกแต่ว่าก็มีอยู่ทุกระดับเพราะฉะนั้นอุปกิเลส ท, ทั้งหลายเมียพิจาเป็นต้นอุปกิเลส ท, ทั้งหลายก็พวกนี้มีสิบข้อนะฮะก็คือโลคกรดลงนั่นแหละแต่ว่าจำแนกความหยาบความกลางความละเอียดของกิเลสนั้นนั้น โตษา ด, ด้วยการแต่นี้แรงกว่านี่แรงร้อยน้อยลงมานี่แรงที่สุดอะไรเนี่ยคือกิเลสมันเป็นนามธรรมเวลาหลวเจ้าทรงอธิบายก็ส่งอธิบายรูปประธรรมเอารูปประธรรมมาเทียบเคียงอธิบายเช่นเรียกวาราคาเนี่ยราคาแปลว่าความกำนัด กํำนัดคืออะไรล่ะกํำนัดก็เหมือนกับผ้าที่เราย้อมด้วยเปลือกไม้รากไม้แก่นไม้ใบไม้อะไรต่าง ๆ, ๆมันติดกันแล้วสักยากซักออกได้ยากคกํามกำนัดยึดติดจุนล่มรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็อภิชาวิสมาโลภะ ท, ที่เดียวก็พวกเดียวก็ราคานะพวกเดียก็ราคาแต่แรงกว่า เรามันเป็นระดับอุปกิเลยไม่ใช่ระดับนิวรณ์เช่นไม่เห็นหรือได้ยินเสียงหรืออะไรก็ตามจิตจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องเหล่านั้นใส่ใจสนใจอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมายอมผ่อนคลายเหมือนแต่ละอย่างเนี่เป็นพวกรุ่มรุ่มใจพอกลุ่มหลุดใจใจก็ขุนมัวเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ ตีนี้ต้องการจะชำระล้างชำระล้างให้มันบริสุทธิ์จึงได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้ด้วยพระคาถาดังกล่าวมัโคณทั้งอิกโกเสตโทษสัตตานังเจอตรุตปาดาเนี่ยถ้าจะตูมาได้ไม่ใช่ชาวสามบดีพรมได้กล่าวไว้ สัตว์เหล่านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากพระองค์ตั้งต้นแต่พระพุทธเจ้าส่งพระนาวมว่าตันหังกะโรเมธังกะโรสรนังกรพีตังทีปังกรซึ่งนิพพานไปในกับเดียวกันนั่นแหละก่อนแต่กับนี้ไปเสียสงไข เ, เศษแสนกับจนถึงพระสักยามุนีเป็นที่สุดก็ดี คือพระพุทธเจ้าของเราที่นับไว้เนี่ยก็ยี่สิแปดองค์ถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์เออไม่ใช่ต่อแต่ถึงถึงถึงพระศรีญาเมตไส่เนี่ยก็จะเป็นยี่สิบปดก็ท่านเริ่มนับที่ตันหังกะโรมหาวีโรเมทังกะโรมหายะโสเสนังกะโรโลโคลไกโตจุตินทโรดิปังกะโร คือเป็นอะไรล่ะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกรคือทำลายตัณหาได้เมธังกรคือเป็นผู้ที่สร้างปัญญาพัฒนาจิตตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็เสนังกรก็สร้างเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจของคนได้ที่พังกรก็คือเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพมนักของคนทั้งหลายได้ ตวเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นจำนวนมากพระยาวบกเราอื่นที่จะขณานับได้ก็ดีได้ทรงลอยและลอยมวลทินของจิตทั้งมวลแล้วหมายความว่ามวลทินจะเรียกระดับไหนก็ตามนะี่ยเมื่อขนาดว่าเรียกว่าลอยมวลทินนี่หมายความมาขั้นละเอียดแล้วเมือ่อเมื่อทำลายขั้นละเอียดได้ก็แสดงว่าขั้นกลางกับขั้นหยาบก็ถูกทำลายไปแล้ว บริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมด้วยทางสายนี้แต่ด้วยสามารถแต่งมวลทินของรูปจะไม่มีการบัญญัติความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วเลยจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ไม่ได้สัตย์ไว้ว่ามานพทั้งหลายเศร้าหมองเพราะรูปเศร้าหมองบริสุทธิ์ในเพราะรูปบริสุทธิ์ แต่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงผู้สแสบงคุณใหญ่ในได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ามานุษย์คือคนนะครับคว่ามานุษย์ในที่นี้หมายถึงคนทั้งหลายเศร้าหมองพระจิตมันเศร้าหมองบริสุทธิ์พระจิ ต, ม, ม, จตมันบริสุทธิ์ที่นี้จิตที่เศร้าหมองเนี่ยมันก็เพราะมีอุปกิเลศพวกนี้ขึ้นมากรุ่มรุมจิตพวกนิวรณ์พวกอุปกิเลศ พวกสังโยชน์พวกอะไ ร, ต, ะรต่างๆเรียกเรียกชื่อเยอะถ้าพวกนี้เป็นเจตสิกรธรรมมันเกิดขึ้นแล้วก็จะทำจิตคนให้เศร้าหมองคุณมัวไปดังนั้นพอสืบสาวเข้าไปจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราคือคนเอาส่วนใหญ่ให้ลองสังเกตว่า เวลาจะทำผิดเนี่ยจะไม่ยอมรับผิดจะโยนลูกออกนอกตลอดคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นกานแกล้งอย่างนั้นคนนั้นเผาอย่างนั้นคนอะไรว่ากันอุตลุดแก้แก้ตัวกันอุตลุดอย่างที่เราได้ยิงข่าวคราวทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีหรือแม้แต่อ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ทุกวันไม่ไหวอ่านยากกลัวเล็กเหลือเกิน อ่าหน่อยเดียวก็ตาหน้าตาออกแล้วเพ่งเพ่งมากเกินไปก็ปวดหัวแล้วไม่รู้เขาคิดก็าเขายัางไงคือเรียนไปเรียนมาสอนให้คนคิดไม่เป็นเป็นสินค้าที่เสนอผู้บริโภคต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคทีนี้ก็อัดตัวก็ไปนแน่นเอียดแล้วโฆษณาชิ้นเบลมเลย เขาไม่ได้ดูซื้อมาดูโฆษณาก็ดูข่าวดูบทความอะไรต่ อ, อะไรต่างๆตกลงมันก็กลายเป็นเรื่องมีปัญหาที่แก่กันไม่จบแก่กันไม่ตกทีนี้พระพุทธมีพระภาคเจ้าได้สัตว์ไว้ว่าแตคำว่าเศร้าหมองหรือว่าคำว่าผ่องใสเนี่ยหรือบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่จิตจิตที่ เร้ามองก็หมายความว่าจิตถูกปรุงด้วยเจตสิกที่เป็นอกุศลความโลภโกรหลทั้งหลายนี่แที น, นี้ถ้าจิตผ่องแพ้วก็หมายความว่าจิตได้ทำลายสิ่งที่เป็นเหตุให้จิตเ้ามองออกไปก็ทำลายกิเลสออกไปแล้วในที่สุดท่านก็มีจิตป่องใสขึ้น ดังที่พระองค์ได้จัดว่าพิาาสูจน์ทางหลายสัตว์ทางหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองผ่องแพ้วเพราะจิตผ่องแพ้วและเพราะความผ่องแพ้วของจิตนั้นมีได้เพราะทางคือสติประฐานนี้เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้จัดว่าเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายทีนี้ในเรื่องของความบริสุทธิ์ต่อไปเราจะเจอถึงธรรมะชุดหนึ่งที่เรียกว่าวิสุทธิเจประการ วิสุทธิ7ประการนั้นก็ข้อหนึ่งก็คือศีลวิสุทธิข้อที่สองก็คือจิตตวิสุทธิข้อที่สามถึงข้อที่เจ็ดเนี่ยนะข้อสามถึงข้อที่เจ็ดก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิไม่ใช่เป็นทิธิวิสุทธิก็คือเป็นเป็นปัญญานะฮะวิสุทธิด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทำความเป็นจริง ธรรมะนั้นเป็นปริยายที่ทรงแสดงในต่างกัรต่างวราระการบางคนวุตรที่ภาวะเขาระดับเดียวกันก็ทรงแสดงธรรมชุดนี้ก็ซ้ำลงไปแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นในธรรมองนั้นดังนั้นให้เราตังเกตว่าพอเราเริ่มสติปัฏฐานมาสองสามครั้งเนี่ยก็เห็นว่าอก็ซ้ำซ้ำทถามาั้นตรีเยอะเลย ในที่ที่พระเรียนจริงๆก็อยู่ตั้งแต่นธรรมยันตรีแต่ว่ามาเพิ่มความเข้มข้นในนักธรรมชัน้นเอกเอาตัวพระสูตรมาเรียนเลยแต่ตอนนักธรรมจันตรีนั้นก็สรุปข้อความสรุปประเด็นง่ายๆเพื่อให้เกิด ค, ความรู้ความเข้าใจความคิดความอ่านที่ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องของตอนหนึ่งแห่ง อัตรกถาสติปฐานสูตรต้งฟังทั้งหลายเสียงทาจากหมาวิจัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่อ ง, งามไปบูรณนธรรมจึงมีแ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี